ก็ยอมจะดีการกระทำอย่างนี้นอกจากเป็นการปฏิบัติตามหลักความจริงของกฎธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยแล้วเราก็เกิดความมั่นใจตามหลักเหตุปัจจัยนั้นด้วยว่าเรื่องพบหน้าเราไม่ต้องห่วงอย่างนี้ถูกเหมือนอย่างพุทธภาษิตจากสังยุตตานิายสขาทวักพระไตรปิฎกเล่มส5หที่ว่าทำเมติโตปโล ก, กังณภาเย